ปริเฉทที่หเศษศกสินนิเทศอาโปกสินภาวนานาวารานี้จะอา ธ, าธิบายความในอาโปกสินภาวนาโดยพิสดารต่อจากปัทวีกสินภาวนาเป็นลำดับไปดังนี้ก็แล้ปัทวีกสินกรรมฐานชั้นใดแม้อาโปกสินกรรมฐาน ก็ทำนองเดียวกันกล่าวคือโยคีบุคคลผู้ประสงค์จะภาวนาอาโปกสินกรรมฐานนั้นพึงนั่งคูบัลลังตั้งกายให้ตรงแล้วจับเอานิมิตในน้ำวิธีการทั้งปวงในอาโปกสินนี้เช่นอาโปกสินที่สร้างขึ้นหรืออาโปกสินที่เป็นอยู่เองตามธรรมดาเป็นต้นนักศึกษาพึงทราบความพิสดาร โดยในยะดังที่พนานามาแล้วในปัตวีกสินนั่นทุกประการและในอาโปกสินนี้ฉันไดในกสินต่อต่อไปทั้งหมดก็เหมือนกันเบื้องหน้าแต่นี้ไปอ ธ, ธิบายเช่นนี้ข้าพเจ้าจะไม่พนานาซ้าอีกจกพนานาแต่เฉพาะที่ต่างกันเท่านั้นอาโปกสินที่เป็นเอง แม้ในอาโปกสินกรรมฐานนี้สำหรับโยคีบุคคลผู้มีบุญญาธิการอันได้สร้างสมอบรมมาแล้วแต่ในชาติปางก่อนนั้นอุกหานิมิตย่อมเกิดขึ้นได้ในน้ำที่เป็นอยู่เองตามธรรมดาคือในสระในบึงในทะเลสาบหรือในมหาสมุทรเหมือนกับที่เกิดขึ้นแก่ท่านจุลศิวะเทระได้ยินว่าท่านจุลศิวะเทระนั้น สละทิ้งลาบและสักการะด้วยตั้งใจว่าจากไปพักอยู่อย่างเงียบๆจึงไปขึ้นเรือที่ท่าใหญ่ไปยังชมพูทวีปได้เพ่งดูน้ำในมหาสมุทรไปในระหว่างทางกษินนิมิตคล้ายกับน้ำมหาสมุทรนั้นได้เกิดขึ้นแล้วแก่ท่านด้วยประการชนนี้วิธีทมอาโปกษิน สำหรับโยคียบุคคลผู้ที่ไม่ได้สร้างสมอบรมบุญญาธิการมาแต่ในชาติปางก่อนเมื่อจะทำอาปโปกะสินต้องหลีกเลี่ยงโทษแห่งกะสินสี่อย่างคืออย่าเอาน้ำที่มีสีเขียวสีเหลืองสีแดงหรือสีขาวอย่างใดอย่างหนึ่งแต่พึงเอาน้ำฝนที่รองรับเอาด้วยผ้าสะอาดในกลางแจ้งซึ่งยังไม่ทันจะตกถึงพื้นดิน หรือน้ำอย่างอื่นๆที่ใสสะอาดปราศจากโทษเหมือนอย่างน้ำฝนนั้นมาใสาให้เต็มเสมอขอบปากบาทหรือคนโรแล้วเอาไปตั้งไว้ณโอกาสลับๆตรงท้ายวัดซึ่งมีประการดังกล่าวมาแล้วในปัตวีกสินภาวนานั้นวิธีภาวนาอาโปกสินครั้นแล้วโยคีบุคคลพึงนั่งคู่บันลัง ตั้งกายใหต้ตรงแล้วอย่าพิจารณาถึงสีของน้ำอย่ามานาสิการถึงลักษณะของน้ำซึ่งมีลักษณะไหลซึมซาบและเกาะกลุ่มพึงวางจิตไว้ในคำบัญญัติ ด, ด้วยอำนาจธาตุน้ำซึ่งเป็นสิ่งที่มีมากกว่าพร้อมกับสีอันเป็นที่อาศัยเท่านั้นแล้วพึงภาวนาด้วยสามารถชื่อที่ปรากฏรู้กันโดยมากว่าอาโปอโป หรือว่าน้ำน้ำดังนี้ในบรรดาชื่อของน้ำทั้งหลายคืออุมพุอุทธกังวาริสลิลังเป็นต้นลักษณะอุคหานิมิตและปฏิภาคานิมิตเมื่อโยคีบุคคลนั้นพยายามภาวนาอยู่โดยทํานองนี้เรื่อยๆไป อุคขหานิมิตและปฏิภาคนิมิตทั้งสองก็จะบังเกิดขึ้นโดยลําดับโดยในยะดังที่พันนนามาแล้วในปัทวีกสินนั้นนั่นแหละแต่ว่าในอาโปกสินนี้อุคขหานิมิตย่อมปรากฏเป็นดุจกระเพื่อมอยู่ถ้าน้ํามีฟองและตอมเจือปนอุกขหานิมิตจะปรากฏเป็นเช่นนั้นนั่นเทียวโทษแห่งกสินย่อมปรากฏให้เห็น ส่วนปฏิภาคณิมิตนั้นยอมปรากฏเป็นสภาพที่นิ่งเหมือนตาลปัดแก้วมณีที่ปากไว้กลางแจ้งและเหมือนวงกลมกระจกเงาที่ทำด้วยแก้วมณีฉะนั้นโยคีบุคคล น, นั้นย่อมจะบรรลุถึงซึ่งอุปจาระชานพร้อมกับด้วยการปรากฏขึ้นแห่งปฏิภาคณิมิตนั้นนั่นแหลและยอมจะได้บรรลุถึงซึ่งชานสี่และชานห้า โดยทํานองดังที่พันณามาแล้วในปัทวีกสินนั่นเทียวจบอาปโปกสินเตโชกสินภาวนาแม้โยคีบุคคลผู้ประสงค์จะภาวนาซึ่งเตโชกสินกรรมฐานนั้นก็พึงจับเอานิมิตในไฟ ในโยคยีบุคคลสองจำพวกนั้นสำหรับโยคยีบุคคลผู้มีบุญญาธิการอันได้สร้างสมอบรมมาแล้วแต่ในชาติปางก่อนเมื่อจับตาเอานิมิตในไฟที่เป็นอยู่เองตามธรรมดาคือเพ่งดูเปลวไฟในที่ใดที่หนึ่งคือที่เปเลวตะเกียงที่เตาไฟที่กองไฟสำหรับระบมบาทหรือที่ไฟไม่ป่าอุกขหานิมิตย่อมเกิดขึ้นได้ เหมือนกับที่เกิดขึ้นแกท่านจิตตะคุตตะเทระท่านจิตะ ต, ะะจตะคุตตะเทระนั้นเข้าไปในโรงอุโบสถในวันธรรมมสวนาะขณะที่ท่านเพ่งดูเปเลวตะเกียงอยู่นั่นแหละอกหานิมิตได้เกิดขึ้นแล้ววิธีทมเตโชกสิน ส่วนโยคีบุคคลผู้ไม่ได้สร้างสมอบรมบุญญาธิการมาแต่ในชาติปางก่อนต้องทำกสินขึ้นเองวิธีทำเตโชกสินนั้นดังนี้คือเอาไม้แก่นชนิดที่มียางมาผ่าตากแดดให้แห้งแล้วตัดท่อนเป็นท่อนๆเราเอาไปที่โคนไม้หรือที่ปารัมอันเหมาะสมทำไม้นั้นให้เป็นกองโดยอาการเหมือนจะระบมบาด ติดไฟให้ลุกแล้วพึงเจาะช่องกลมๆที่เสื่อลำแพนหรือที่ผืนหนังหรือที่ผืนผ้าขนาดโตหนึ่งคืบสี่นิ้วแล้วยกไปตั้งข้างหน้ากองไฟนั้นวิธีภาวนาเตโชกสินโยคีบุคคลพึงนั่งเข้าที่โดยทานองดังที่ได้พันนามาแล้วนั่นแหละ แต่นั้นอย่าได้มานาสิการถึงหญ้าและฟืนข้างล่างหรืออย่ามานสิการถึงเปลวควันข้างบนพึงจับตาเอานิมิตในเปลวไฟอันหนาทึบตรงระหว่างกลางนั้นอย่าพิจารณาถึงสีของไฟด้วยสามารถแห่งสีเขียวหรือสีเหลืองเป็นต้นอย่ามานสิการถึงลักษณะด้วยสามารถเป็นสภาวะที่ร้อน พึงวางจิตไว้ในคำบัญญัติด้วยอำนาจธาตุไฟซึ่งเป็นสิ่งที่มีมากกว่าพร้อมกับสีอันเป็นที่อาศัยเท่านั้นในบรรดาชื่อของไฟทั้งหลายเช่นปาวโกกันหวัตติชาตเวโทหุตาสโนเป็นต้นพึงภาวนาด้วยสามารถชื่อที่ปรากฏรู้กันเป็นส่วนมากเท่านั้นว่าเตโชเตโช หรือว่าไฟไฟดังนี้เรื่อยไปลักษณะอุคหานิมิตและปฏิภาคานิมิตเมื่อโยคีบุคคลนั้นพยายามภาวนาอยู่โดยทํานองนี้เรื่อยๆไปนั่นและอุคหานิมิตและปฏิภาคานิมิตทั้งสองก็จะเกิดขึ้นโดยลำดับตามทํานองที่ได้พัฒ น, นามาแล้วนั่นเทียว ในนิมิตสองอย่างนั้นอุคหะนิมิตย่อมปรากฏเป็นเหมือนเปลวไฟขาดตกหายไปหายไปแต่เมื่อจับเอานิมิตในไฟที่เป็นอยู่เองตามธรรมดาแล้วโทษแห่งกระสินย่อมจะปรากฏให้เห็นกล่าวคือลูกไฟบ้างก้อนถ่านบ้างขี้เท้าบ้างขวานบ้างก็จะปรากฏขึ้น ส่วนปฏิภาคนิมิตนั้นเป็นสภาวะที่ไม่เคลื่อนไหวย่อมปรากฏเป็นท่อนผ้ากำพลแดงที่อยู่กลางแจ้งและเหมือนตลัปัดทองคำหรือเหมือนเสาทองโยคีบุคคล น, นั้นย่อมจะบรรลุถึงซึ่งอุปจาระฌานพร้อมกับการปรากฏขึ้นแห่งปฏิภาคนิมิตนั้นทีเดียวและย่อมจะบรรลุถึงซึ่งฌานสีและฌานห้า โดยในยะที่ได้พันานามาแล้วนั่นแหละจบเตโชกสินวาโยกสินภาวนาแม้โยคีบุคคลผู้ประสงค์จะภาวนาซึ่งวาโยกสินกรรมฐานนั้นพึงพยายามจับเอาซึ่งนิมิตในลมก็แหละ นิมิตนั้นจะพึงจับเอาได้โดยสามารถที่ได้เห็นหรือได้ถูกต้องเพราะเหตุที่ท่านอัตถคตาจาร์แสดงไว้ในคำภีอัตถคตาทั้งหลายว่าโยคีบุคคลเมื่อจะถือเอาวาโยกสินโดยภาวะเป็นอุกขะะนิมิตนั้นย่อมถือเอานิมิตในลมคือย่อมกำหนดยอดอ้อยที่ลมพัดเอ็นไปเอ็นราบไปพร้อมๆกัน หรือกำหนดยอดไัยที่ลมพัดเอ็นไปเอ็นราบไปพร้อมๆกันหรือกำหนดยอดไม้ที่ลมพัดเอ็นไปเอ็นราบไปหรือกำหนดปลายผมที่ลมพัดให้ล้มลงให้ล้มราบลงหรือกำหนดตรงที่ลมมาถูกต้องกายฉะนั้นโยคีบุคคล รันได้เห็นอ้อยหรือไผ่หรือต้นไม้ซึ่งมีใบนาขึ้นอยู่อย่างมียอดเสมอกันถูกลมพัดอยู่ก็ดีหรือได้เห็นศีรษะของบูรุษผู้มีผมดกยาวประมาณสี่องคุลีถูกลมพัดอยู่ก็ดีพึงตั้งสติไว้ว่าลมนี้ย่อมพัดถูกณที่ตรงนั้นหรือพึงตั้งสติไว้ตรงที่ที่ลมพัดเข้าทางช่องหน้าต่างหรือทางรูฝา แล้วมากระทบประเทศของกายครั้นแล้วในบรรดาชื่อของลมทั้งหลายเช่นวาโตมาลุโตอานิลังเป็นต้นพึงภาวนาด้วยสามารถแห่งชื่อที่ปรากฏรู้จักกันเป็นส่วนมากเท่านั้นว่าวาโตวาโตหรือว่าลมลมดังนี้เรื่อยๆไป ลักษณะอุกหานิมิตและปฏิภาคนิมิตในวายโยกสินภาวนานี้อุกหานิมิตมีลักษณะคล้ายๆกับเกลียวไอของข้าวต้มที่ปลงลงจากเตาใหม่ๆย่อมปรากฏเป็นสภาพเคลื่อนไหวได้ส่วนปฏิภาคนิมิตเป็นสภาพสงบนิ่งไม่มีการเคลื่อนไหวเหมือนอุกหานิมิต คำที่เหลือนักศึกษาพึงทราบโดยในยะที่ได้พัฒนามาแล้วในปัทวีกสินภาวนานั้นนั่นเทียวจบวายกสินนีลักษสินภาวนาก็แล่ลำดับต่อจากวายกสินภาวนานั้น เพราะมีคำบาลีของโบราณอัตถกถาอยู่ว่าโยคีบุคคลเมื่อจะถือเอานิลักษินโดยภาวนาเป็นอุคหานิมิตนั้นย่อมถือเอานิมิตในวัตถุมีสีเขียวคือในดอกไม้บ้างในผ้าบ้างในธาตุที่เป็นสีธรรมชาติบ้างดังนี้สำหรับโยคีบุคคลผู้มีบุญญาธิการ อันได้สร้างสมอบรมมาแล้วแต่ชาติปางก่อนนั้นเพียงแต่ได้เห็นกอดอกไม้ซึ่งมีดอกบานสะพรั่งเห็นปานนั้นหรือเห็นที่ตกแต่งดอกไม้นสถานที่บูชาหรือเห็นผ้าเขียวและแก้วเขียวอย่างใดอย่างหนึ่งอุคหะนิมิตย่อมเกิดขึ้นได้วิธีธรรมนีลักสิล สำหรับโยคียบุคคลผู้ไม่มีบุญญาธิการนั้นต้องทำกระสินขึ้นเองต้องไปเก็บเอาดอกไม้เช่นดอกบัวเขียวและดอกกันนิกาเขาเป็นต้นไม้เหล่านี้มีดอกสีเขียวแก่หรือสีฟ้าโดยธรรมชาติเอามาจัดใส่ให้เต็มตะกร้าหรือฝาสมุกพอเสมอขอบปากเอาแต่กลีบดอกล้วน โดยที่ไม่ให้มีเกสรหรือก้านปรากฏให้เห็นเลยอีกอย่างหนึ่งพึงเอาผ้าสีเขียวมาม้วนให้เป็นห่อแล้วบรรจุใส่ให้เต็มเสมอขอบปากของตะกร้าหรือฝาสมุกนั้นหรือเอาผ้าสีเขียวนั้นมาผูกขึงที่ปากขอบของตะกร้าหรือฝาสมุกนั้นให้ตึงเหมือนอย่างหน้ากรองก็ได้ อีกแบบหนึ่งพึงเอาทาสีธรรมชาติอย่างหนึ่งอย่างใดในบรรดาสีเขียวสำริดสีเขียวใบไม้และสีเขียวดอกอันชันมาทาทมเป็นดวงกสินชนิดที่เคลื่อนที่ได้หรือชนิดที่ติดอยู่กับฝาแล้วทาตัดด้วยสีที่ไม่กลื่นกันโดยทำนองดังที่แสดงมาแล้วในปัตวีกรสินนั่นแล วิธีภาวนานีลกษสิณครั้นทำกสิณเสร็จแล้วแต่นั้นโยคีบุคคลพึงลงมือภาวนาคื อ, อย่างมนสิการให้เป็นไปว่านีลังนีลังหรือว่าสีเขียวสีเขียวชนนี้โดยนัยยะดังที่ได้แสดงไวในปัทวีกสิณแม้ในนีลกษสิณภาวนานี้ในขั้นอุกหานิมิต โทษแห่งกะสินยังปรากฏให้เห็นอยู่คือเกสรก้านและระหว่างกลีบเป็นต้นย่อมปรากฏส่วนปฏิภาคนิมิตพ้นไปจากโทษกะสินย่อมปรากฏเป็นเช่นกับตาลปัดแก้วมณีที่อยู่กลางแจ้งคำที่เหลือนักศึกษาพึงทราบโดยในยะที่ได้พันนามาแล้วข้างต้นนั่นเทียว จบนีลักษสินปีตักกสินภาวนาแม้ในปีตักสินภาวนาก็มีในยะเช่นเดียวกันนี้เพราะเหตุที่ท่านโบราณอัทธกถาจารย์แสดงไว้ว่าโยคีบุคคลเมื่อจะถือเอาปีตักกสินโดยภาวะเป็นอุกหะนิมิต นั้นย่อมถือเอานิมิตในวัตถุมีสีเหลืองคือในดอกไม้บ้างในผ้าบ้างในธาตุที่เป็นสีธรรมชาติบ้างฉะนั้นแม้ในปีตกรสินภาวนานี้สำหรับโยคีบุคคลผู้มีบุญญาธิการอันได้สร้างสมอบรมมาแต่ชาติปางก่อนนั้นเพียงแต่ได้เห็นกอไม้ดอกซึ่งมีดอกบานสะพรั่งเห็นปานนั้น หรือเห็นที่ตกแต่งดอกไม้ในที่บูชาหรือเห็นผ้าหรือธาต์สีเหลืองอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นอุคหานิมิตย่อมเกิดขึ้นเหมือนอย่างที่เกิดขึ้นแก่ท่านจิตตะคุตตะเทระได้ยินว่าเมื่อท่านจิตตะคุตตะเทระนั้นเห็นอาสนะบูชาที่ทำด้วยดอกจันเหลืองในวัดจิตตะรบันพวิหาร อุคหานิมิตประมาณเท่ากับอาสนะบูชาได้เกิดขึ้นแล้วแก่ท่านพร้อมกับการที่ได้เห็นนั่นเที่ยววิธีธรรมปีตกกะสินสำหรับโยคีบุคคลผู้ไม่มีบุญญาธิการนั้นพึงสร้างดวงกรสินขึ้นด้วยดอกกันนิกาหรือด้วยผ้าสีเหลืองหรือด้วยท่าสีธรรมชาติ โดยในยะดังที่ได้แสดงมาแล้วในนิลกษสินภาวนานั่นแลแต่นั้นพึงลงมือภาวนาคืออย่างมณสิการให้เป็นไปว่าปีตะกังปีตะกังหรือว่าสีเหลืองสีเหลืองชนนี้คำที่เหลือเป็นเช่นเดียวกับที่พันณ า, ามาแล้วในปัทวีกสินทุกประการนั่นแลจบปีตะกสิน โลหิตกสินภาวนาแม้ในโลหิตกสินภาวนาก็มีนัยยะเช่นเดียวกันนั่นแหละเพราะเหตุที่ท่านโบราณอัตถกถ า, าจารย์กล่าวไว้ว่าเมื่อโยคีบุคคลจะถือเอาโลหิตกกสินโดยภาวนาเป็นอกขหานิมิตนั้นย่อมถือเอานิมิตในวัตถุที่มีสีแดงคือในดอกไม้บ้างในผ้าบ้าง ในธาตุที่เป็นสีโดยธรรมชาติบ้างดังนี้ฉะนั้นแม้ในโลหิตกสินภาวนานี้สำหรับโยคีบุคคลผู้มีบุญญาธิการอันได้สร้างสมอบรมมาตนชาติปางก่อนนั้นเพียงแต่ให้เห็นก่อไม้ดอกซึ่งกําลังออกดอกบานสะพรัง่งเช่นดอกชะบาเป็นต้นเห็นปานนั้นหรือเห็นเครื่องตกแต่งดอกไม้ในที่บูชา หรือเห็นสีธรรมชาติหรือผ้าและแก้วสีแดงอย่างใดอย่างหนึ่งอุกหานิมิตย่อมเกิดขึ้นวิธีภาวนาโลหิตากกสินสำหรับโยคีบุคคลผู้ไม่มีบุญญาธิการนั้นต้องสร้างกสินขึ้นเองคือเอาดอกไม้เช่นดอกชัยาพฤกดอกจะบา และดอกไม้ที่มีสีแดงหรือเอาผ้าแดงหรือเอาสีธรรมชาติเช่นดินสอแดงหรือสีแดงชาติมาทำเป็นดวงกะสินโดยนัยยะดังที่ได้แสดงไว้ในนีลากะสินภาวนานั่นแลครั้นทำกะสินเสร็จแล้วแต่นั้นพึงลงมือภาวนาคือยังมนาสิการให้เป็นไปว่าโลหิตกังโลหิตกังหรือว่า สีแดงสีแดงดังนี้เรื่อยๆไปจนกว่าอุกหะนิมิตจะเกิดขึ้นคำที่เหลือเป็นเช่นเดียวกับที่ได้พันานามาแล้วในนีลากสินภาวนานั่นแหละโอทาตักกสินภาวนา แม้ในโอทาตกสินภาวนานี้เพราะคําพระบาลีในโบราณอัตถกถาว่าเมื่อโยคีบุคคลจะถือเอาโอทาตกะสินโดยภาวนาเป็นอุกขหานิมิตนั้นย่อมถือเอานิมิตในวัตถุที่มีสีขาวคือในดอกไม้บ้างในผ้าบ้างในธาตุที่เป็นสีโดยธรรมชาติบ้างดังนี้ สำหรับโยคียบุคคลผู้มีบุญญาธิการอันได้สร้างสมอบรมมาแต่ชาติปางก่อนนั้นเพียงแต่ได้เห็นพุ่มไม้ดอกซึ่งกำลังมีดอกบานสะพรั่งอยู่เห็นปานนั้นหรือเห็นเครื่องตกแต่งด้วยดอกไม้เช่นดอกมะลิปเป็นต้นหรือเห็นกองแห่งดอกบวกขาวหรือเห็นผ้าขาวและสีขาวธรรมชาติอย่างใดอย่างหนึ่งอุคขหานิมิตย่อมเกิดขึนแม้ในแผ่นกลมแห่งดีบุก แผ่นกลมแห่งเงินและในดวงจันทร์อุคฮานิมิตก็เกิดขึ้นได้เหมือนกันนั่นเทียววิธีภาวนาโอทาตักศกินสำหรับโยคีบุคคลผู้ไม่มีบุญญาธิการนั้นต้องสร้างกรสินขึ้นเองคือเอาดอกไม้สีขาวซึ่งมีประการดังกล่าวมาแล้วเอาผ้าขาวหรือเอาสีขาวธรรมชาติมาทำให้เป็นดวงกสิน ตามนัยยะดังที่ได้พนานามาแล้วในนิละกะักษณศลภาวนานั่นแหละครั้นทำศิลเสร็จแล้วพึงลงมือภาวนาคือยังมณสิการให้เป็นไปว่าโอทาตังโอทาตังหรือว่าสีขาวสีขาวดังนี้เรื่อยๆไปร้อยครั้งหรือพันครั้งหรือมากกว่านั้นทั้งนี้จนกว่าอุกคะนิมิตจะเกิดขึ้นนั่นเทียว คำ ท, ที่เหลือเช่นเดียวกับที่ได้พันณ า, ามาแล้วได้ น, นิลกษกสินทุกประการอาโลกะกสินภาวนาก็แลในอาโลกะกสินภาวนานี้เพราะมีคำาระบาลีในโบราณอัตถกถาว่าเมื่อโยคียบุคคลจะถือเอาอาโลกะกสิน โดยภาวะเป็นอกขหานิมิตนั้นย่อมถือเอานิมิตในแสงสว่างคือที่ฝาบ้างที่รูลูกดานบ้างที่ช่องหน้าต่างบ้างชนี้ดังนั้นสำหรับโยคีบุคคลผู้มีบุญญาธิการอันได้สร้างสมอบรมมาแต่ในชาติปางก่อนนั้นเพียงแต่ได้เห็นดวงกลมๆที่แสงพระอาทิตย์หรือแสงพระจันทร์ส่องฉายเข้าไปตามรูฝาเป็นต้น แล้วปรากฏติดอยู่กับฝาหรือที่พื้นนั้นๆหรือดวงกลมๆที่แสงพระอาทิตย์หรือแสงพระจันทร์ส่องทะลุออกมาตามวางกิ่งไม้ที่มีใบหนาทึบหรือตามวางปรมที่มุงด้วยกิ่งไม้อย่างหนาทึบแล้วมาปรากฏติดอยู่กับพื้นนั้นนั่นแหละอุกขะนิมิตยอมเกิดขึ้นได้ในทันทีวิธีภาวนา อโลกักกสินฝ่ายโยคีบุคคลผู้ไม่มีบุญญาธิการเช่นนั้นต้องลงมือภาวนาซึ่งดวงกลมของแสงสว่างซึ่งมีประการดังกล่าวแล้วนั้นด้วยคำภาวนาว่าโอภาโสโอภาโสหรือว่าแสงสว่างแสงสว่างดังนี้ก็ได้หรือว่าอาโลโกอาโลโก ความสว่างความสว่างดังนี้ก็ได้ภาวนาเรื่อยๆไปจนกว่าอุกข ห, หานิมิตจะเกิดขึ้นแต่เมื่อโยคีบุคคลไม่สามารถจะทำให้อุกขะหานิมิตเกิดขึ้นด้วยวิธีภาวนาซึ่งดวงกลมแห่งแสงสว่างเช่นนั้นพึงจุดตะเกียงใส่ไว้ในหมอ้อแล้วปิดปากหม้อซะเจาะรูที่ข้างหมอ้อแล้วเอาไปตั้งหันหน้ารูนั้น เข้าใส่ฝาแสงสว่างของตะเกียงก็จะส่องออกจากรูหม้อนั้นไปติดเป็นรูปวงกลมอยู่ที่ฝาโยคีบุคคลพึงภาวนาซึ่งดวงกลมนั้นนั่นแหละ ว, ว่าอาโลโกอาโลโกหรือว่าความสว่างความสว่างดังนี้เรื่อยๆไปดวงกลมของแสงตะเกียงนี้ยอมตั้งอยู่ได้นาน มากกว่าดวงกลมของแสงพระอาทิตย์หรือแสงพระจันทร์นั้นในอาโลก ก, ะกะสินภาวนานี้อุคหานิมิตยอมปรากฏเป็นสภาพเหมือนกับดวงกลมซึ่งติดอยู่ที่ฝาหรือที่พื้นนั่นแหละส่วนปฏิภาคนิมิตยอมปรากฏเป็นสภาพที่ใหญ่โตและสดใสมากคล้ายๆกับก้อนแห่งแสงสว่าง คำที่เหลือเป็นเช่นเดียวกับที่ได้พนานามาแล้วในนีละกสินแลสิ0ปริชินนากาศักสินภาวนาแม้ในปริชินนากาศักสินภาวนานี้เพราะมีคำบาลีในโบราณอัตถกาถาว่าเมื่อโยคีบุคคลจะถือเอาซึ่งอากาศักสิน โดยภาวะเป็นอุกขหานิมิตนั้นย่อมถือเอาซึ่งนิมิตในที่ว่างๆคือรูที่ฝาบ้างที่รูลุกดานบ้างที่ช่องหน้าต่างบ้างดังนี้ฉะนั้นสำหรับโยคีบุคคลผู้มีบุญญาธิการอันได้สร้างสมอบรมมาแล้วแต่ในชาติปางก่อนเพียงแต่ได้เห็นรูฝาเป็นต้นอย่างใดอย่างหนึ่งอุกหานิมิตย่อมเกิดขึ้นในทันที วิธีภาวนาอากาศกสินสำหรับโยคียบุคคลผู้ไม่มีบุญญาธิการเช่นนั้นต้องเจาะที่หลังคาพรรามซึ่งมุงอย่างสนิทหรือเจาะช่องที่ผืนหนังและที่เสื่อลำแผนเป็นต้นอย่างใดอย่างหนึ่งให้เป็นช่องกว้างประมาณหนึ่งคืบสี่นิ้วแล้วพึงลงมือภาวนาซึ่งช่องนั้นนั่นแหละหรือช่องชนิดอื่น อันต่างด้วยช่องฝาเป็นต้นด้วยบทภาวนาว่าอากาโสอากาโศหรือว่าที่ว่างที่ว่างดังนี้เรื่อยๆไปในอากาสักสินภาวนานี้อุคหานิมิตย่อมปรากฏเป็นเหมือนช่องที่กำหนดด้วยที่สุดรอบของฝาและอุคหานิมิตแม้จะขยายก็ขยายไม่ได้เพราะภาวนายังมีกำลังน้อยอยู่ ส่วนปฏิภาคนิมิตย่อมปรากฏเป็นสภาพคล้ายดวงกลมของช่องว่างนั้นและเมื่อขยายก็ขยายได้คำที่เหลือนักศึกษาพึงทราบโดยในยะที่ได้พนานาไว้ในปัทวีกสินนั้นทุกประการจบปริชินนากาศสกสินอธิบายหัวข้อเบตเตเลด อันนักศึกษาเมื่อได้ศึกษาเข้าใจถึงกสินสิบประการอันเป็นเหตุให้ได้ฌานสี่และฌานห้าในรูปาวจรภูมิที่สมเด็จพระทศพลพุทธเจ้าผู้ทรงเห็นแจ้งธรรมทั้งปวงได้ทรงแสดงไว้แล้วด้วยประการชนนี้และเข้าใจถึงในยยแห่งการภาวนาซึ่งกสินสิบเหล่านั้นอย่างนี้แล้วพึงศึกษาถึงหัวข้อเบตเตเลตในกสินทั้งสิบประการนั้น ให้เข้าใจดียิ่งขึ้นไปอีกสักเล็กน้อยดังต่อไปนี้หนึ่งฤทธิ์เกิดด้วยอำนาจปัททวีกสินในบรรดากสินสิบประการนั้นฤทธิ์ย่อมสาเร็จขึ้นด้วยอำนาจปัททวีกสินมีอาธิดังนี้คือคนเดียวเนรมิตรให้เป็นหลายคนได้เป็นต้นเนรมิตรแผ่นดินขึ้นในอากาศหรือในน้ำ แล้วเดินไปด้วยเท้าได้สำเร็จอิริยาบถยืนและนั่งเป็นต้นในอากาศหรือในน้ำได้ได้อภิพภายตนะโดยในยะมีอารมณ์นิดหน่อยและมีอารมณ์หาประมา ณ, ณมิได้คําว่าได้อภิพภายตนะคือสามารถข่มปฏิปักระรรมได้และสามารถข่มอารมณ์ต่างๆทั้งอิทธารมณ์และอนิทาารมณ์ ไม่ให้เกิดในใจได้สองฤทธิ์เกิดด้วยอำนาจอาโปกสินฤทธิ์สำเร็จขึ้นด้วยอำนาจอาโปกสินมีอาธิดังนี้คือดำลงไปในพื้นแผ่นดินและผุดโผล่พื้นแผ่นดินขึ้นมาได้บันดาลให้ฝนตกได้ บันดาลให้เกิดเป็นแม่น้ำและเป็นมหาสมุทรเป็นต้นได้บันดาลแผ่นดินภูเขาและประสาทเป็นต้นให้หวันว้สั่นสะเทือนได้สฤทธิ์เกิดด้วยอำนาจเตโชกสินฤทธิ์สำเร็จขึ้นด้วยอำนาจเตโชกสินมีอาธิดังนี้ คือบังหวนควัได้บรรดาลให้ไฟลุกโพลงขึ้นได้บรรดาลให้ฝนทานเพลิงตกได้บรรดาลไฟที่เกิดขึ้นด้วยฤทธิ์ของผู้อื่นให้ดับลงด้วยไฟที่เกิดขึ้นด้วยฤทธิ์ของตนได้มีความสามารถที่จะเผาผลาญสิ่งที่ตนประสงค์ให้พินาศลงได้บรรดาลให้เกิดแสงสว่างเพื่อเห็นรูปด้วยจักสุอันเป็นทิพย์ได้ เผาศรีราศบตนเองได้ด้วยเตโชธาตในเวลาปรินิพานสฤทธิ์เกิดด้วยอำนาจวาโยกสินฤทธิ์สำเร็จขึ้นด้วยอำนาจวาโยกสินมีอาธิดังนี้คือเหาะไปได้เร็วเหมือนอย่างลมพัดบรรดานฝนพายุให้ตกได้ ฤทธิ์เกิดด้วยอำนาจดีลกษินลฤทธิ์สำเร็จขึ้นด้วยอำนาจดีลกษินศีลมีอาทิดังนี้คือเนรมิตสิ่งต่างๆให้เป็นสีเขียวได้บรรดาความมืดมนอนทะการให้เกิดขึ้นได้ได้อภิพายตนะโดยในยะมีผิวพันงามและมีผิวพันน่าเกลียดการบรรลุสุภาพวิโมก ค, คือบรรลุมรรคผลและนิพพานโดยง่ายสะดวกสบาย หฤทธิ์เกิดด้วยอำนาจปีตกกะสินฤทธิ์สำเร็จขึ้นด้วยอำนาจปีตกกะสินมีอาธิดังนี้คือได้ระมิดสิ่งต่างๆให้เป็นสีเหลืองได้เศกเหล็กทองเหลืองทองแดงเป็นต้นให้เป็นทองคำได้ได้อภิภายตนะโดยนัยยะที่กล่าวมาแล้วนั่นแหละและการบรรลุสุภาวิโมก ฤทธิ์เกิดด้วยอำนาจโลหิตากศิล์ฤทธิ์สำเร็จด้วยอำนาจโลหิตากศิลมีอาธิดังนี้คือเนอรยมิตรสิ่งของต่างๆให้เป็นสีแดงได้ได้อภิพายตนะโดยในยะดังที่กล่าวมาแล้วนั่นแหละและการบรรลุสุภวิโมกป ฤทธิ์เกิดด้วยอํานาจโอทาตักกสินฤทธิ์สำเร็จขึ้นด้วยอํานาจโอทาตะกะสินมีอาทิดังนี้คือเนรมิตสิ่งของต่างๆให้เป็นสีขาวได้บันดาลให้สางหายจากความง่วงเหงาหานอนได้บรรดาความมืดมนอนทการให้หายไปได้บันดาลให้เกิดแสงสว่างเพื่อเห็นรูปด้วยจกักษุทิพย์ได้ ฤทธิ์เกิดด้วยอำนาจอาโลกักกสินฤทธิ์สาเร็จขึ้นด้วยอำนาจอาโลกักกสินมีอาทิดังนี้คือเนรมิตสิ่งของต่างๆให้มีแสงสว่างได้บรรดาให้สางหายจากความง่วงเหงาหานอนได้บรรดาความมืดมนอนถการให้หายไปได้บัรดาให้เกิดแสงสว่างเพื่อเห็นรูปด้วยจักสุอันเป็นทิพย์ได้ ฤทธิ์เกิดด้วยอำนาจอากาสักสินฤทธิ์สำเร็จขึ้นด้วยอำนาจอากาสักสินมีอาธิดังนี้คือปันดานสิ่งที่ปกปิดกำบังไว้ให้ปรากฏเห็นได้เนรมิตช่องว่างขึ้นในแผ่นดินและภูเขาเป็นต้นแล้วไปสำเร็จอิริยาบทยืนเดินนั่งนอนได้ ทะลุออกไปภายนอกฝาหรือกำแพงได้ไม่มีอะไรกีดกันได้ความต่างกันของกระสินสิทธกสินหมดทั้งสิบประกาศนั้นยอมได้ความต่างกันด้วยสามารถแห่งการขยายดังนี้คือขยายขึ้นข้างบนขยายลงข้างล่างขยายไปรอบรอบตัว ไม่ขยายคราวละสองกสินปะปนกันขยายยังไม่มีกำหนดประมาณข้อนี้สมด้วยพระบาลีที่ทรงแสดงไว้มีอาธิว่าชานะลาภีบุคคลบางคนย่องขยายปฐวีกสินขึ้นไปข้างบนบางคนขยายลงข้างล่างบางคนขยายไปรอบๆตัวบางคนขยายยังไม่ปะปนกันคราวละสองกระสินบางคนขยายยังไม่มีกำหนดประมาณ อธิบายพระบาลีบรรดาคำเหล่านั้นคำว่าขยายขึ้นข้างบนคือขยายให้บ่ายหน้าขึ้นสู่ท้องฟ้าข้างบนคำว่าขยายลงข้างล่างคือขยายให้บ่ายหน้าลงสู่พื้นดินข้างล่างคำว่าขยายไปรอบรอบตัวคือขยายไปอย่างกำหนดเอาโดยรอบด้านเหมือนอย่างขอบเขต ท, ที่เป็นวงกลม จริงอยู่ชาณลาภีบุคคลบางคนย่อมขยายกสินขึ้นไปข้างบนอย่างเดียวบางคนขยายลงข้างล่างบางคนขยายไปโดยรอบอีกอย่างหนึ่งด้วยเหตุนั้นๆ น, นชาณลาภีบุคคลจึงขยายอย่างนี้ฉะนั้นพระพุทธองค์จึงตรัสว่าขยายขึ้นข้างบนลงข้างล่างไปโดยรอบดังนี้ และคำว่าไม่ปะปนกันคราวละสองกรสินนี้ตรัสไว้เพื่อสรงแสดงว่ากรสินอันหนึ่งอันหนึ่งไม่เข้าไปปะปนกับกรสินอีกอันหนึ่งเหมือนกับน้ำย่อมปรากฏเป็นน้ำนั่นเองอยู่ในทั่วทุกทิศแก่บุคคลผู้เข้าไปดูไม่เป็นอย่างอื่นไปได้ฉันใดปัตวีกรสินย่อมปรากฏเป็นปัตวีกสินอยู่นั่นเองความปะปนกับกสินอย่างอื่น มีอาโปกสินเป็นต้นย่อมไม่มีแกปัตวีกสินนั้นฉันนั้นเหมือนกันในกสินอื่นๆทุกกสินก็มีนัยยะเช่นเดียวกันนี้คําว่าไม่มีกำหนดประมาณนี้ตรัสไว้ด้วยอำนาจที่ไม่มีประมาณแห่งการขยายซึ่งปัตวีกสินนั้นจริงอยู่ชาณลาภีบุคคลเมื่อจะขยายปัตวีกสินนั้นไปด้วยใจ ย่อมขยายไปอย่างสิ้นเชิงทีเดียวหาได้ถือเอากำหนดประมาณว่านี้เป็นเบื้องต้นนี้เป็นท้ำกลางของปัทวีกสินนั้นดังนี้ไม่ด้วยประการฉนี้ผู้บำเพ็ญภาวนาไม่สำเร็จโดยธรรมนิยามก็แลสัตว์อได้ซึ่งเป็นผู้ประกอบด้วยเครื่องกัน้นคือกรรมก็ดี เป็นผู้ประกอบด้วยเครื่องกัน้นคือกิเลสก็ดีทั้งเป็นผู้ไม่มีศรัทธาไม่มีชันทะในการปฏิบัติธรรมเป็นผู้มีปัญญาทึบที่พระพุทธองค์ตรัสว่าเป็นอาภัพพสัตว์ไม่สมควรที่จะอย่างลงสู่ธรรมนิยามและภาวะที่ถูกต้องในกุศลธรรมทั้งหลายการภาวนาย่อมไม่สำเร็จผลแกสัตว์เหล่านั้นสักคนเดียวแม้ในกสินภาวนาข้อเดียว อธิบายพระบาลีบรรดาคำเหล่านั้นคำว่าสัตว์ผู้ประกอบด้วยเครื่องกั้นคือกรรมนั้นหมายเอาสัตว์ผู้ทำอนันตริยกรรมสีประการข้อใดข้อหนึ่งคำว่าสัตว์ผู้ประกอบด้วยเครื่องกั้นคือกิเลสนั้นหมายเอาสัตว์จจพวกที่เป็นนิยตมิจฉาทิฏฐิคืออเหตุตุกะทิฏฐิอกิริยะทิฏฐิและนติกะทิฏฐิหนึ่ง จำพวกที่เป็นอุปโตพยัญชนะกะคือคนสองเพศหนึ่งและจำพวกที่เป็นบันดอกคือกระเทยหนึ่งคำว่าสัตว์ประกอบด้วยเครื่องกั้นคือวิบากนั้นหมายเอาสัตว์จำพวกที่เป็นอเหตุตุกะปฏิสนธิและที่เป็นทวีเหตุตุกะปฏิสนธิอเหตุกะปฏิสนธิแยกเป็นสองคือ อุเบกขาสันติรณจิตฝ่ายอากุศลหนึ่งอุเบกขาสันติรณจิตฝ่ายกุศลหนึ่งฝ่ายอากุศล น, นั้นให้ปฏิสนธิในอบายภูมิเป็นทุคติบุคคลฝ่ายกุศลให้ปฏิสนธิในสุคติภูมิแต่เป็นคนบ้าใบ้บอดหนวกมาแต่กำเนิดเรียกว่าสุคติบุคคล ส่วนทวิเหตุกะปฏิสนธินั้นได้แก่มหาวิบากจิตยานวิปยุทธสี่ดวงให้ปฏิสนธิในสุขติภูมิเป็นทุเหตุตุกะบุคคลซึ่งมีปัญญาทึบคำว่าเป็นผู้ไม่มีศรัทธาหมายความว่าเป็นผู้เว้นแล้วจากความเชื่อในพระรัตนไตรมีพระพุทธเจ้าเป็นต้น คำว่าเป็นผู้ไม่มีชันทะในการปฏิบัติธรรมหมายความว่าเป็นผู้เว้นแล้วจากกัตุกรรมยตาชันทะในข้อปฏิบัติอันไม่เป็นค่าศึกคือในข้อปฏิบัติอันสมควรแกม่มรรคได้แก่ในวิปัสสนาอันสมควรแก่อริยสัต์คำว่าเป็นผู้มีปัญญาทึบหมายความว่าเป็นผู้เว้นแล้วจากโลกิยาสัมมาทิฏฐิ ลโลกุตระสั ม, มาธิฐิคําว่าเป็นอภัพสัตตไม่ควรเพื่อจะอยังลงสู่ธรรมนิยามและภาวะที่ถูกต้องในกุศลธรรมทั้งหลายหมายความว่าเป็นผู้ไม่สมควรเพื่อที่จะยังลงสู่อริยมรรคกล่าวคือธรรมนิยามและภาวะที่ถูกต้องในกุศลธรรมทั้งหลายความจริง การที่ภาวนาไม่สําเร็จผลแก่สัตว์ผู้ประกอบด้วยเครื่องกัน้นคือกรรมเป็นต้นแม้แต่สักคนเดียวนั้นไม่ใช่แต่เฉพาะในกสินกรรมฐานนี้อย่างเดียวแม้ในกรรมฐานทั้งหลายอย่างอื่นๆด้วยคําตักเตือนกุลบุตรเพราะฉะนั้นกุลบุตรพุทธศาสนิกผู้ปราศจากเครื่องกัน้นคือวิบากแล้ว พึงหลีกเว้นเครื่องกันคือกรรมและเครื่องกันคือกิเลสให้ห่างไกลแล้วพึงเพิ่มภูนศรัทธาชันทะและปัญญาด้วยการตั้งใจฟังธรรมโดยเคารพและด้วยการคบหาสมาคมกับสัตบุรุษคือผู้ปฏิบัติชอบด้วยกายวาจาใจเป็นต้นและพึงลงมือบำเพ็ญเพียรในอันประกอบพระกรรมฐานนั้นเถิดฉะนี้แหล คำว่าปราศจากเครื่องกั้นคือวิบากแล้วได้แก่กุลบุตรผู้พ้นจากอเหตุกะปฏิสนธิละทวิเหตุกะปฏิสนธิแล้วคือเกิดมาด้วยเหตุุกะปฏิสนธิมีปัญญาเปลืองปราดสามารถที่จะบรรลุฌานหรือมรรคผลได้อยู่เมื่อเป็นเช่นนี้แล้วอย่าได้ทำอนันตริยกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งและอย่าเป็นนิตยมิจฉาทิฏฐิ ด้วยการคบค้าสมาคมกับบัณฑิตและเชื่อฟังคำสั่งสอนของท่านแล้วลงมือบำเพ็ญพระกรรมฐานด้วยอุตสาหะวิริยภาพต่อไปเปาลิเชตที่ห้าชื่อว่าเซสักสินิเทศได้อธิการแห่งสมาธิภาวนาในปะกณ์วิเศษชื่อวิสุทธิมักอันข้าพเจ้ารจนาขึ้นไว้เพื่อความปราโมวนแห่งสาธุชน ดังนี้